บทที่13แม่กาหลงแม่ชีเจียนมาอยู่วัดป่ามะม่วงแล้วได้รับมอบหมายจากสมภารให้ทำหน้าที่หุงหาอาหารเลี้ยงดูญาติโยมที่มาเข้ากรรมฐานสมณเณรจอยได้ลาสิกขาไปก่อนหน้านั้นสามวันจึงไม่รู้จักแม่ชีเจียนวันรุ่งขึ้นก็มีสตรีวัยเจมาที่วัดป่ามะม่วงและบอกสมภารว่าจะขอบวชชีอยู่ที่นี่ โยมาจากไหนละจ๊ะชื่ออะไรพระเจริญถามฉันแม่ชีเขียวไงล่ะท่านจาไม่ได้หรือนางบอกเหมือนคุ้นเคยกันมาก่อนแม่ชีเขียวไหนยังไม่ทันจะบวชไงเรียกตัวเองว่าแม่ชีล่ะฉันเคยบวชชีอยู่ที่วัดมะขามเท่าไงจ๊ะที่ท่านเคยไปเรียนวิชากับหลวงพ่อสุกตอนนั้น ฉันมีหน้าที่ทำอาหารถวายพระในวัดเวลาท่านบิณฑบาตไม่ได้คำบอกเล่าของนางเขียวทำให้พระเจริญนึกออกจึงร้องว่าอ๋อจำได้แล้วอาตามายังได้อาศัยข้าวโยมฉันต้องขอโทษด้วยอย่าหาว่าเนรคุณเลยและทำไมโยมถึงได้ศึกละ่ะเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงถาม พอดีตอนนั้นลูกสาวฉันเขามีลูกอ่อนแล้วไม่มีคนช่วยเลี้ยงก็เลยมาอ้อนวอนให้ฉันศึกออกไปช่วยเลี้ยงลูกพอลูกเขาโตเขาก็บอกว่าแม่จะบวชอีกก็ได้บังเอิญฉันไม่ค่อยจะกินเส้นกับลูกเคยก็เลยคิดว่าจะบวช ด, ดีกว่าและทําไมถึงไม่ไปบวชที่วัดครองมะขามเท่าล่ะคิดยังไงถึงมาที่นี่ฉันได้ข่าวว่าที่นี่สอนวิปัสสนา ฉันก็สนใจอยากจะเรียนก็ยังไม่รู้เลยว่าแก่เกินเรียนหรือเปล่าพูดแล้วจะหาว่าคุยฉันยังแข็งแรงนะความจำก็ดีไม่หลงลืมเลอะเลือนแต่ประการใดนางรีบบอกคุณสมบัติได้เกรงพระเจริญจะไม่อนุญาตให้บวชแต่ที่นี่ไม่ใช่สำนักสีอาจจะไม่สะดวกสบายถ้าวัดมาขามเท่าโยมจะอยู่ได้หรือ ฉันก็ไม่ได้คิดว่าจะมาหาความสบายที่นี่ให้ฉันบวชเธอจะ้ะรับรองว่าจะไม่ก่อปัญหาให้ท่านอย่างแน่นอนส่วนเรื่องที่อยู่ค่อยขยับขยายที่หลังถ้าท่านสนใจฉันจะพาไปซื้อบ้านในอำเภอเห็นว่าจะขายหลังละห้าพันบาทถ้าลองต่อลองดูว่าสักสามพันขายไหมจะได้ซื้อมาสร้างสำนักชีนางเขียวแนะนำ งั้นหรือไกลไหมล่ะไม่ไกลจ้ะอยู่เหนืออําเภออินไปนิดเดียวในอําเภอเข้าขายเข้าบางกอกเลยบอกขายบ้านคนเข้ามาดูหลายรายแต่ไม่มีใครซื้อทําไมละ่ะแพงไปหรือไม่แพงหรอกจ้ะแต่เขาคงกลัวผีแม่กาหลงเห็นว่าพอเข้าไปในบ้านก็เย็นวา่วาบ เหมือนเจ้าของเขาไม่ยอมให้ขายแม่กาหลงเป็นเจ้าของบ้านงั้นหรือก็ไม่เชิงหรอกจ้ะในอำเภอซื้อบ้านหลังนี้ไว้แล้วไม่เคยเข้าไปอยู่จ้างสองผัวเมียเฝ้าตอนหลังเมียตายเห็นว่าเป็นไข้ทับฤดูพอเมียตายผัวก็อยู่ไม่ได้บอกกลัวผีเมียมากกนเลยหนีไปอยู่ที่อื่นในอำเภอก็จ้างคนใหม่ไปเฝ้ากี่รายกี่ราย ก็อยู่ไม่ทนบางรายอยู่ได้คืนเดียวก็หนีบอกว่าผีผู้หญิงมาหลอกคงเป็นผีแม่ก่หลงนั่นเองและยมไม่กลัวหรือถ้าอาตมาซื้อเข้ามาสร้างสำนักชีและแม่ไกหลงตามมาอรารวาดยมจะอยู่ได้หรืออยู่ได้ฉันเป็นคนไม่กลัวผีอยู่วัดครองมาามเท่าแล้วกลัวผีก็เสียชื่อหลวงพ่อสุกแย่สิ อีกหน่อยฉันจะต้องเป็นผีเหมือนกันสตรีวัยเจ็ดสิบพูดแบบโปรงๆได้แล้วหลังจากนางเขียวมาบวชชีอยู่ที่วัดป่ามะม่วงก็เซาซีให้สมพานไปซื้อบ้านในอำเภอวันหนึ่งในหล่อมาที่วัดโดยขับรถกระบะมาพระเจริญจึงชวนไปดูบ้านโดยแม่ชีเขียวเป็นคนพาไป เมื่อท่านย่างกลายเข้าไปในบ้านก็รู้สึกเย็ยนว่าไปทั่วสลรพางจะว่าเป็นอุปทานก็คงไม่ใช่ท่านรู้ว่าเปรตแม่กาหลงยังอยู่ที่บ้านหลังนี้และหวงแหนไม่อยากให้ใครมาซื้อบ้านไปหล่อนตายขณะที่จิตไม่โลภะจึงมาเกิดเป็นเปรตเฝ้าเรือน มาอยู่ที่นี่ไม้มล่ะโยมไปอยู่ที่วัดป่ามะม่วงกันดีกว่าไปปฏิบัติกรรมฐานจะได้ไปผุดไปเกิดเสียทีเชื่ออาตมาเถอะท่านชักชวนด้วยจิตเมตตาอยากช่วยเหลือท่านอนุญาตแน่นะไม่ใช่พอไปแล้วขับไล่สายส่งอีฉัน้นถ้าเป็นเช่นนั้นฉั้นจะไปอยู่ที่ไหนท่านต้องสัญญาว่าจะไม่ไล่ชั้น เสียงเปรตต่อรองรับรองว่าไม่ไล่อาตมาเป็นพระจะมาหลอกลวงโยมทำบาปกรรมทำไมตกลงไปอยู่วัดป่ามะม่วงกับแม่ชีเขียวนะตกลงจะไปก็ไปแต่ท่านต้องไปเจรจาขอซื้อบ้านกับนายอำเภอก่อนต่อเขาสักสามพันอย่างที่แม่เขียวเขาบอกนั่นแหละท่านเป็นพระเขาคงยอมขายให้ เขาอยู่ที่ไหนล่ะท่านถามแม่ชีเขียวสิรายนั้นเขารู้ให้เขาพาไปพบเวลาที่นายอำเภอมาเก็บค่าเช่านาที่อำเภออินตอนต้นเดือนนี้เมื่อเจรจากับเปรตแม่กะหลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระเจริญจึงกลับมายังรถที่นายหลอกับแม่ชีเขียวรออยู่เป็นไงท่านชอบหรือเปล่า และติดต่อกับผีแม่แกลงได้ไหมแม่ชีเขียวถามได้เขาบอกให้ไปซื้อกับนายอำเภออาตมาชวนเข้ามาอยู่วัดป่ามะม่วงด้วยโยมต้องคอยสอนกรรมาฐานให้เขานะกลัวหรือเปล่าไม่กลัวหรอกจ้ะฉันยินดีจะสอนให้แต่ตอนสอบอารมณ์ฉันคงต้องนิมนต์หลวงพ่อช่วยเพราะฉันยังปฏิบัติไม่ถึงขั้นจะสอบอารมณ์ใครได้ ตกลงอาตมาจะช่วยสอบอารมณ์ให้แม่กาหลงเสร็จธุระแล้วเรากลับกันเถอะหรือว่าโยมหล่อจะว่ายังไงแล้วแต่หลวงพี่เถอะครับหลวงพี่จะกลับผมก็จะไปส่งแต่ถ้าหลวงพี่จะเข้าไปคุยกับแม่กาหลงต่อผมก็จะรอนายหล่อพูดยิ้มยิ้มไม่คุยแล้วหมดธุระแล้วกลับกันนะแม่ชีจ้ะ แล้วเรื่องเจรจากับนายอำเภอฉันจะให้ลูกสาวช่วยส่งข่าวเวลาที่เข้ามาเก็บค่าเช่านาที่อำเภออินแม่ชีรู้เช่นเดียวกับที่เปรตแม่กาหลงรู้เดือนต่อมาวัดป่ามะม่วงก็มีสำนักชีแม่ชีเจียนและพักพวกก็ย้ายจากศาลาการประเรียนมาอยู่กับแม่ชีเขียวที่สำนักชียกเว้นแม่ชีก้อนทองที่ยังไม่ยอมย้าย เพราะว่ามีภาระต้องสวดมนต์กับเทวดาที่ถูกขับไล่จากสวรรค์มาสิงสถิตที่ต้นพิกุลวัดป่ามะม่วงจึงมีพระภิกษุสีรูปแม่ชีหรูปส่วนสมณ น, นไม่มีเพราะศึกออกไปหมดญาติโยมที่มาเข้ากรรมฐานก็รับความสะดวกสบายขึ้นเพราะบรรดาแม่ชีช่วยกันหุงหาอาหารมาเลี้ยงดูวันพระถัดมา ก็มีแม่ชีรูปหนึ่งมาขอพบสมภารและแช่งความประสงค์จะขอมาอยู่วัดชื่ออะไรไรโยมมาจากวัดไหนจเจ้าอาวาสถามตามธรรมเนียมชื่อแม่ชีแดงจะ้ะฉันไม่มีวัดอยู่แม่ชีวัยห้าสิบเศษตอบอ้าวแล้วบวชที่ไหนละ่ะใครเป็นคนบวชให้ฉันบวชที่วัดลายจะ้ะแต่อยู่ที่วัดนั้นไม่ได้นาน ก็ถูกแม่ชีด้วยกันมันอิจฉาและก็พากันกลั่นแกล้งจนชั้นอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องออกมาอยู่บ้านกับลูกอยู่ได้ไม่นานพวกชาวบ้านเขาก็พากันค่อนขอดว่าเป็นชีมาอยู่บ้านลูกชั้นเขาก็อายก็เลยแนะนําให้มาอยู่ที่วัดนี้ภิกษุวัยสาเศษตรวจสอบด้วยเห็นหนอและได้รู้ว่าแม่ชีรูปนี้ เป็นคนเข้ากับใครไม่ได้เพราะมีนิสัยที่น่ารังเกียจอยู่หลายประการเป็นต้นว่าทุศีลสกปรกงกกินขี้เกียจคืนให้มาอยู่ที่วัดนี้ก็รังแต่จะทำให้วงแตกแต่ถ้าไม่ให้อยู่ก็จะทำให้พระาศาสนามอหมองเพราะญาติโยมจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นนักพรตก็อยู่ครองเรือนได้ ท่านจึงหาทางออกให้ด้วยการแนะนำว่างั้นก็ศึกเซซีจะได้ไม่ถูกชาวบ้านเขาค่อนคอดฉันไม่อยากศึกจ้ะลูกเขาก็ไม่อยากให้ศึกเขาบอกว่าจะได้เกาะชายภักขาวฉันขึ้นสวรรค์แม่ชีแดงลงทุนโกหกสม่าน แท้ที่จริงนั้นลูกของแกไม่เต็มใจที่จะให้แม่อยู่ด้วยมันไม่แน่เสมอไปหรอกโยมไม่ใช่ว่าเป็นพระเป็นชีแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ไปเสียหมดที่ไปตกนรกก็มีเป็นพระเป็นชีนั้นตกนรกง่ายกว่าคนเป็นฆเลือดเสียอีกท่านพูดหมายจะสอนแม่ชีทางอ้อมแต่ฉันไม่อยากสึก จะขึ้นสวรรค์หรือตกนรกฉันก็ไม่อยากศึกขอฉันอยู่ที่วัดนี้เถอะฉันไหว้ละพูดพร้อมกับยกมือไหว้ตามใจอยากจะอยู่ก็ได้ที่นี่มีแม่ชีอยู่หรูปมีสำนักชีห้ารูปที่ศาลาการประเรียนหนึ่งรูปโยมจะอยู่สำนักชีก็แล้วกันจะได้ช่วยหุงหาอาหารเลี้ยงดูญาติโยม ได้ยินดังนั้นแม่ชีก็รีบออกตัวว่าฉันคงทำไม่ไหวหรอกจ่ะให้พวกสาวๆเขาทำเธอฉันมันแก่จะหกสิบแล้วไม่แก่หรอกโยมแม่ชีเขียวเจ็ดสิบแล้วยังช่วยเ้าทำสมพานแยง้งเมื่อเห็นอีกฝ่ายแสดงความเห็นแก่ตัวออกมานอกหน้าคนเรามันไม่เหมือนกันหรอกนะท่าน บางคนอายุตั้งเจ8 0บแปแต่ว่ายังแข็งแรงบางคนแค่ห้าสิบก็ทำอะไรไม่ไหวแล้วอย่างฉันนี่ไงเอาเธอเอาเธออาตมาขี้เกียจเถียงกับโยมเป็นอันว่าอาตมาอนุญาตก็แล้วกันส่วนจะอยู่เย็นเป็นสุขหรือว่าอยู่ร้อนนอนทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับตัวของโยมเองท่านทิ้งท้ายไว้ให้คนฟังนำกลับไปคิด ทว่าคนเช่นแม่ชีแดงไม่ชอบคิดอะไรให้ยุ่งยากจึงกลับไปเก็บข้าวของเครื่องใช้เตรียมย้ายมาอยู่วัดป่ามะม่วงข้างลูกชายกับลูกสะพ้ายก็รู้สึกโล่งอกอุสาแสดงความกตัญญูด้วยการพายเรือมาส่งถึงวัดออกปากฝากฝังไว้กับแม่ชีและสมภารทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะกลัวว่ามารดาจะอยู่วัดไปไม่ได้นาน พระเดี๋ยวจะกลับไปอยู่บ้านตนให้ต้องอับอายขายหน้าชาวบ้านอีกแม่ชีแดงมาอยู่วัดป่ามะม่วงได้ไม่เท่าไรก็สร้างความเดือดร้อนอึดอัดละอาให้กับแม่ชีห้ารูปที่อยู่สำนักชีมาก่อนส่วนแม่ชีก้อนทองซึ่งอยู่บนศาลาการประเรียนนั้นไม่สงสิงกับใครตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติกรรมฐานและสวดมนต์เป็นเพื่อนเทวดาทุกคืน ข้าวปลาอาหารหุงหากินเองไม่ต้องตกเป็นภาระของผู้ใดจึงดูเหมือนว่าแม่ชีที่อายุมากที่สุดเป็นผู้ที่มีความสุขมากที่สุดในวัดผู้ที่หาความสุขไม่ได้เลยเห็นจะได้แก่สมภารเจ้าวัดเพราะต้องรับผิดชอบเรื่องปากท้องของพระภิกษุอีกสามรูปแม่ชีหรูปยกเว้นแม่ชีก้อนทองท่านได้นำสมบัติส่วนตัวที่โยมทิ้งไว้ ให้ออกขายเป็นบางส่วนโดยที่พี่สาวคนที่ชื่อจำแรงนำไปขายได้ปัจจัยมาก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายในวัดท่านตั้งใจจะสมเคราะห์ทุกคนที่มาพึ่งใบบุญไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุหรือว่าผู้มาเข้ากรรมฐานทั้งนี้เพื่อต้องการที่จะใช้หนี้กรรมนับตั้งแต่บวชเป็นพระภิกษุพระเจริญมักจะย้อนกลับไปหาอดีตในชีวิต ของท่านว่าช่างเลวร้ายเหลือเกินสร้างกรรมทำชั่วไม่เว้นแต่ละวันท่านตกลงใจแล้วว่าจะยอมชดใช้เวรที่ทำกรรมที่ก่อจะไม่ปฏิเสธทุกข้อหาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่านสมพานฉันเห็นจะอยู่วัดนี้ไม่ไหวแล้วรำคาญแม่ชีแดงเหลือเกินแม่ชีเจียนบอกพระเจริญในเช้าวันหนึ่ง แกไปทำอะไรให้ละ่ะโยมถึงไดเดือดร้อนใจนักท่านถาม ท, ทั้งที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแกก่อกวนเข้าไปหมดฉันทั้งอดทั้งทนก็ทนไม่ไหวแล้วละ่ะเพื่อนฉันอีกสามคนเขาก็เลยให้ฉันมารายงานท่านสมภารเห็นจะต้องไปหาวัดใหม่อยู่เสียแล้วถ้าวัดใหม่อยู่ไม่ได้อีกละ่ะก็หาวัดใหม่ต่อไปอีก งั้นก็คงต้องโยกย้ายกันอย่างนี้ไปตลอดชีวิตโยมทำไมไม่คิดว่ามันเกิดที่ไหนก็ต้องแก้มันที่นั่นล่ะนี่นะอาตมาจะเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเรื่องจริงนะแล้วโยมก็เก็บเอาไปคิดเอาเองคือในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าของเราท่านประทับอยู่ที่เมืองโกสัมพีนางมาคันทิยาซึ่งเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทน เป็นผู้ผูกพยาบาทพระพุทธเจ้าด้วยเรื่องส่วนตัวได้จ้างให้คนไปตามด่าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เสด็จไปที่ไหนก็ตามไปด่าด่าหยาบหยาบคายๆด้วยพระอานนท์ก็สงสารพระพุทธองค์จึงทูลให้เสด็จไปอยู่ที่อื่นพระพุทธองค์ก็ตรัสถามว่าถ้าที่นั่นมีคนมาด่าอีกจะทําอย่างไรพระอานนท์ก็ทูลว่าให้หนีไปที่อื่นอีกไปเรื่อยๆ พระพุทธองค์จึงตรัสกับพระอนุนว่าเหตุเกิดที่ไหนต้องให้ดับที่นั่นไม่ต้องหนีและก็ทรงทํานายว่าจะถูกตามด่าไม่เกินเจ็ดวันก็จริงตามนั้นเพราะพวกที่รับจ้างด่านางมาคันธิยาไม่เห็นพระองค์ไม่มีกิริยาโตอตอบพอด่าครบเจ็ดวันก็เลิกราไปเองแม่ชีไม่ได้ใช้นโยบายอย่างพระพุทธองค์ท่านละ จรงอย่างท่านสมพานว่าขอบคุณจ่าที่ให้สติชั้นที่จริงแม่ชีแดงแกทําไม่ดีบาปกรรมมันก็ตกอยู่ที่แกนั่นเองเรื่องอะไรจะไปเอาบาปเข้ามาใส่ตัวชั้นฟังท่านสมพานแล้วชั้นก็สบายใจขึ้นไม่คิดย้ายวัดแล้วแม่ชีแดงแกทําไม่ดีอย่างไรละโยมท่านทดสอบหลายอย่างจาก เป็นต้นว่าเกียรคร้านเขาตื่นทําวัดเช้ากันแกก็นอนกรนครอกคลอกเขาทำอาหารกันแกก็เพิ่งจะตื่นแต่พอเขาทำเสร็จแกก็รีบขึ้นมากินก่อนเพื่อนแถมยังแอบตุนไว้ในห้องแกอีกศ ก, กปรกก็เท่านั้นกินเปลอะเปลอนเ ป, เปื่อนๆแล้วก็ไม่เคยเช็ดเคยล้างพวกฉันต้องตามล้างตามเช็ดให้ทั้งที่ไม่ใช่ญาติโยม แกเห็นกับตัวอย่างร้ายกาจเลยจ้ะทั้งต ก, กระก็เท่านั้นและแม่ชีเขียวเขาว่าอย่างไรบ้างล่ะไม่ว่าหรอกจ้ะเขาบอกว่าใครทำใครได้แม่ชีเขียวเสียอีที่แกแก่แล้วแต่ยังช่วยพวกเราไม่เคยนิ่งดูได้ตกกลางคืนแกก็ไปเดินจมกรมนั่งภาวนาที่ระเบียงพวกเรานอนกันแล้วแกก็ยังคงปฏิบัติอยู่ ช่งมีน้ำอดน้ำทนเหลือเกินคำบอกเล่าของแม่ชีเจียนทําให้เจ้าอาวาสวัดป่ามาม่วงรู้ว่าแม่ชีเขียวสอนกรรมฐานให้เปรตแม่กาหลงที่ตามติดเรือนมาอยู่วัดนั่นเองครั้นจะบอกแม่ชีเจียนไปตามตรงก็เกรงว่าจะทําให้แกกลัวจึงนิ่งเสียคนรายงานรู้สึกอึดอัดจึงพูดขึ้นว่าตกลงฉันจะทําตามที่หลวงพ่อเล่าให้ฟัง ฉลาละจ่ะพูดจบจึงกราบท่านสมพานสามครั้งแล้วลุกออกไป